ท่านไปอยู่ยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาพเพื่อนบิณฑษ์สมณีนนทั้งหลายเวลานี้การสมาธานและกรรมฐานได้ผ่านไปแล้วสำหรับต่อที่นี้ไปเรื่องของตำราก็จบเพราะว่าผมพูดเรื่องมหาปริปทานอสูตรจบมาแล้ว แล้วก็กรรมาฐานสี่สิบก็จบแล้วเอาปฏิปทาของท่านผู้เท่ามากล่าวก็กล่าวแล้วถือว่าเป็นแบบฉบับสำคัญสาหรับบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติต่อไปก็เป็นปกนกะคำสอนนี่คือว่าการเก็บเล็กเก็บน้อยเอามาสอนกันหรือว่ามาแนะนำกัน แต่อันดับต้นขขอมรนดาทนานหลายจงเป็นผู้ชนะนิวร์ไว้เสมอ น, นิวร์คืออารมณ์ชั่วย้ายมีในจิตของเราการทรงสมาธิในการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาใจเขารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก พวกกระกับคำภาวนาและการพิจารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรนั่นเป็นของดีและการที่จะมาบังคับว่าจะต้องว่าอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนี้นี่มันไม่ถูกให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องที่เกี่ยวกับโทสะให้มีเรื่องเรื่องหนึ่งรายกดเข้นมาเมื่อเร็วๆนี้ มีคนเขาี่ภาควิจารณผมเรื่องงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เพราะว่ามีคนเขามาบอกขายรถและรถคันนี้จริงๆราคามาตกสองล้านบาทแต่เขามาเสนอขายราคาห้าแสนบาทนี่นก็เป็นรถใหม่ ก็าข่าวนี้แพร่ะสะพัดไปก็มีคนผู้หวังดีมีภาควิจารณ์ไปในแง่ต่างๆแตในคําวีภาควิจาร์นั้นแสดงว่าเป็นผู้ห่วงใยก็ลายเป็นว่าผมจะถูกต้มบ้างในเบอร์การหนึ่งคนอื่นจะมาต้มผมบ้างแล้วก็ไปวิพาควิจารณ์คนที่เขาไม่ได้ต้มหาว่าจะมาต้มผม ความจริงถ้อยคําที่เรื่กล่าวอนนี้มันเป็นการสแสดงออกเึื่ความห่วงใ่แต่อาศัยที่มีกิเลส ท, ที่มีอยู่ในใจมากไม่ได้ทราบไว้เรื่องท่างหลายเหล่าเนี้มันจะสร้างความเสียหายให้เกิดขนาดไหนรวมความว่าผมเองเป็นตัวจังไรทําไมจึงไปตกลงในการซื้อรถขันนั้น นี่ข่าวก็จะแพร่สะพัดไปว่าผมนี่มีความร่ำรวยมากเรื่องเงินเขาสงไปถล่มทลายในการเื้รถแต่วความจริงรถที่มีทุกคันนี่เป็นรถที่ชาวบ้านเขาให้ใช้ชั่วคราวรถคันนั้นเจ้าของผู้เสมอขายขายผิดราคาเพราะเป็นรถใหม่แก้คงจะเผลอไปราคาตั้งสองล้าน แอบมาเสนอขายห้าแสนบาทผมก็บอกว่ารอเวลาเจ็ดวันเจ็ดวันถ้าปรึกษาหารือกันเห็นสมควรก็จะซื้อแต่การจริงการที่รอเวลาไม่ใช่ผมซื้อผมจะดูว่าคนที่เขาชำนาญในการใช้รถเนี่ยมีใครเขาต้องการบ้างในเมื่อเขาซื้อไปราคาถูก แต่ว่าราคามันถูกตัดไปทั้งล้านห้าแสนนี่ถ้่เขาซื้อไปจริงๆเมื่อภาร ก, กิจมันเกิดขึ้นก็แค่ได้เขายืมเขาใช้นั่นเองก็มีคนก็เห็นชอบโดยหลายท่านนักเล่นรถคนที่ตั้งบริษัทขายรถเขาเห็นชอบโดยเป็นว่าถ้าผมไม่เอาเขาจะเอาแต่ว่าเรื่องมันก็อยู่ที่ผม ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าก็ า, มาอมกครั้งก็ตกลงเป็นอันว่าคุณบอกขายภายในไม่ช้าไม่กี่วันเธอก็มาบอกเลิกอ่าเหตุผลต่างๆว่ารถมันมีความไม่เหมาะส ม, มอะไรบ้างอันนี้ผมก็ทราบทราบว่าแกพูดลาดไปเสีจแล้วผมก็เลยไม่เรียไม่ขไม่ค่ายคันไม่เทืบสัจจะเดิม ไม่ถือการที่พูดกันไปเดิมแต่ตอนแรกทีเดียวก็ยังไม่ได้ตกลงกันแน่นอนเป็ น, นเพียงว่าถ้าเธอขายในราคานั้นจริงเราก็จะขอปรึกษาฮารือพวกกันก่อนแล้วก็เห็นสมควรเราก็จะซื้อนี่ขาวนี้ออกไปข่ามันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ มีการไปโทษคนที่ไม่มีการเกี่ยวข้องว่าจะร่วมกันต้มผมบ้างให้พูดนะพูดด้วยความห่วงแต่ความจริงอาศัยขาดสติสมัมปชัญญะสตินึกได้สมัมปชัญญะรู้ตัวไม่มีในหนึ่งก็ขาดพุทธภาสิตอิบบทนังว่ากล้าไครครวนเสียก่อนเราจงทำดีกว่าอันนี้ขาดไป นี่การพูดกันทำนองนั้นข่าวมันก็ออกข้างนอกนี่คนข้างนอกก็โจดไปอีกด้านหนึ่งถึงว่าผมนี่ร่ำรวยมากถึงก็จะเอาเงินไปซื้อรถต้ราคาห้าแสนบาทที่เขาพูดกันใน่ก็พูดในความโง่ใหญ่และไปโทษคนที่ไม่เกี่ยวข้องว่าพากันต้มผม นี่ก็สำหรับทา่าน a l l a เมื่อฟังแล้วถ้ามีความรู้สึกยังไงคนประเภทนี้เราน้าจะกโกรธหรือ ว, ว่าเราน้าจะเกลีดวยดหรือว่าเราน่าจะรักเพราะเป็นประเภทที่หนักไปกว่าคนตาบอดคลมช้างคนตาบอดคลมช้างนะคลมช้างที่ขาก็คิดว่าช้างเหมือนเสา คลาช้างที่หางก็คิดว่าช้างเหมือนไม่กวาดคลําช้างที่หงวงก็คิดว่าหงวงว่าช้างนี่เหมือนปลิงถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้รูปลักษณะ้ของช้างจริงๆแต่เขาเองผู้นั้นก็ยังมีโอกาสทราบว่าช้างนี่มันเนื้อมันนิ่มหรือไม่แข็งชื่อมันเป็นการฉลาดกว่าบุคคลที่พูดทัหลายเหล่านี้ เพื่งเขาเหล่านั้นไม่รู้ความจริงแต่ถ้าว่าพยายามพูดให้พูดไปมันสร้างความเสียหายเยอะถ้าไร้จะพูดกันอย่างชาวโลกนี่ความเสียหายถ้ามันเลื่อนไปข้างนอกข่าวมันขยายตัวไปไกลแทนที่จะเป็นความเสียหายเรื่องเล็กน้อยมันก็เป็นการใหญ่ ในความเสียหายทั้งหลายเหล่านี้ชาวโลกเขาถือกันแต่สำหรับท่านหลายมีความรู้สึกยังไงถ้าท่านถูกแบบนี้บ้างท่านมีเจตนายอย่างหนึ่งและคนอื่นไปพูดอย่างหนึ่งการพูดพ่อมบอกว่าห่วงใหญ่แต่ผลที่มันเกิดขึ้นคือความเสียหาย ถ้าผมเดาๆใจนะถ้ายังละกันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องโกรธนี่ถ้าจะโกรธเราจะโกรธใครเราจะโกรธตัวเราเองหรือว่าเราจะโกรธคนพูดตัวเราทำผิดเลยแล้วก็มันนั่งพิจารณาตัวเราเองว่ามันไม่ผิดที่เราคิดอย่างนั้นเรายังไม่ได้ตกลงกับเขา เพื่อนได้เพียงว่าถ้าเขาขายให้เราก็จะไปถามคนที่เามีความชำนาญแต่คนที่เขามีชำนาญตั้งบริษัทรถก็บอกมันไม่ได้แน่เจ้านี่บอกราคาผิดถ้าว่าขายจริงๆถ้าเราไม่เอาเขาขอรับไปในเมื่อขอรับแล้วแล้วก็บอกว่าถ้ารับไปยงเวลาที่ต้องการแล้วก็จะขอยืมใช้บ้างนะเขาก็ตกลงแต่พวกนั้นมันได้ทราบ ถ้าสำหรับคนที่ถูกกล่าวพาดพิงว่าร่วมกันต้มถ้าเขาเป็นคนธรรมดา เ, าเขาก็จะโกรธเพราะเขาพวกนั้นที่ถูกกล่าวหาเขาเป็นคนค้านว่าไม่เห็นด้วยนี่ความจริงพวกนี้ขาดนิสสมะกระหนังเสยโยการที่พระเจ้ากล่าวว่าใค่โครเซก่อนแล้วจะงทำดีกว่าเราเห็นน้ำใจของคนพวกนี้ว่ายังมีกิเลสหนามากนัก นี่เราควจะโกรธเขาไหมถ้าเราโกรธเขาก็ไม่ถูกถ้าเราจะโกรธเรามันก็ไม่ถูกทำไมจึงว่าไม่ถูกทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเขายังมีกิเลสอยู่เราจะไปโกรธทำไมถ้าหากว่าเราโกรธตัวเรามันก็ไม่ถูกเรายังไม่ได้ทำผิดถ้ากิดนั้นมันสาเร็จขึ้นเราก็ได้ฟรี คนที่เสียสตางค์มาใช่เราเรามีโอกาสนำของนั้นมาใช้ได้ฟรีแต่เราแต่ว่าสำหรับผมก็บอกว่าใครจะเข้าหุ้นส่วนบ้างผมก็ลองกำลังใจคนก็มีคนนั้นขอช่วยคนนี้ขอช่วยเห็นดีกันหลายคนเป็นว่าคนที่เห็นดีด้วยเราก็ต้องเชื่อลรวก็สนเริง ก, กำลังใจว่าเขาหวังดีตรงงานในสาธารณประโยชน์ นี่เรามาพูดพูดถึงเร่งด้ความโกรธเราควรจะโกรธหรือไม่โกรธเพรเราตอบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาของโลกพระพุทธเจ้าขรงกล่าวว่านินทาประสังสาเป็นโล ก, กะธรรมดาการนินทาดันสันเสริญเป็นธรรมดาของโลกเราต้องวางใจเสีย ถ้เอิญท่านนักหลายจะพบอย่างนี้เข่าจงจําปฏิปทาครังท่านผู้เฒ่าที่องค์สมเด็จรมมรพระสมมาสมุทัเจ้าสมบัติว่าเจ้าไม่โกรธในฐานะที่คนจะโกรธเจ้าไม่เกลียดในฐานะที่คนจะเกลีย ด, จ เ, ดเจ้าไม่รักในฐานะที่คนจะรักเจ้าไม่ผูกพันในฐานะที่คนจะผูกพัน เมื่อจิตของเจ้าทรงอารมณ์อย่างนี้ชื่อว่าเจ้าเป็นพระหันขีณาศพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั่เป็นอนว่าถ้อยคํานันหลายเหล่านี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนหลายจนจําไว้อย่าสนใจกับวาจาของคนที่สันเซิญหรือว่านินทาถ้าเราอยโกรธก็คนรอยโกรธจุดสักนิดหนึ่งโกรธใครกันดี โกรธวัตตาสงสารหรือวัตตาสงสารมันก็ทรงตัวเราก็ควรจะโกรธจิตของเราที่ยังคบหากับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมที่ดันมาเกิดในดินแดนในภพที่มันเต็มไปด้วยความ ร, าร้อนโกรธตัวก็ไม่ได้โกรธคนอื่นก็ไม่ได้ต้องโกรธใจ โกรธใจแล้วทำไมเขาพยายามห้ำหันใจให้กิเลสมันหมดไปตอนนี้มาพูดกันถึงว่าท่าเขาบุกคลมาพูดถ้าเราฟังเขาพูดมันเป็นปัจจุบันพอเขาพูดจบไปมันเป็นอดีตขาวาาจาร์ที่เขาจะพูดต่อไปข้างหน้าเขายังไม่พูดมันเป็นอนาคต พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติแบบไหนให้ปฏิบัติในปัจจุบันเป็นสำคัญปัจจุบันจริงๆในวาทะของเขาทั้งหลายเหล่านั้นมันเดียวเดียวเท่านั้นพูดจบหายไปต่อไปมันก็ไปนอนาคตตอนนี้ผมนึกถึงพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที 11, ่สิบเอดกุ่พระมภาันที่สบอ ตุลาคม2520มีโอกาสเข้าเฝ้าท่านท่านได้ทรงตัดว่าเรื่องที่เกิดที่เมืองยลาเสียงระเบิดตูมขึ้นมาแล้วมันเงียบไปพระองค์ทรงดรมิว่าถ้าเราจะไปสนใจกับเสียงระเบิดนั้นมันก็ระเบิดไปแล้วมันเป็นอนาคตไม่เป็นดีต ถ้าเราไปสนใจกับมันปัจจุบันของเราจะใช้ไม่ได้งานปัจจุบันจะเสียทรงทำงานปัจจุบันตลอดไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเวลาที่จะทรงเสด็จเยี่ยมเยิยนระชากรของพระองค์ก็รทรงตริว่าถ้าหากว่าเราจะคิดว่าเดินไปความไอ้เรื่องระเบิดมันจะเกิดระเบิดขึ้นอีก นั่นมันเป็นอนาคตมันยังไม่ระเบิดงานปัจจุบันเราทําให้สําเร็จโรคดีกว่านี่พระราชาประรอบพระบาทสมเด็จเจ้หัวควรจะจําไว้ถูกต้องตามพระพุทธพจน์บทพระบาลีที่สมเด็จพระเยซูสอนตรัสว่าเรื่องของอดีตอนาคตอดีตก็ดีอนาคตก็ดีอดีตที่ล่วงมาแล้วอย่าตามนึกถึง สิ่งที่เป็นอนาคตมันยังมาไม่ถึงอย่าสนใจสนใจปัจจุบันเป็นสำคัญเราจุดคิดไว้เสมอว่าคนเราจะดีหรือจะชั่วนี่ไม่อยู่ใช่อยู่ที่คำนินทาโดชเสนเจอดีหรือเจอชั่วมันอยู่ที่ตัวเรากระพุทธปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติดีใครติก็เร า, าเลวเราก็ไม่เลวไปตามนั้นถ้าใครติเอาเราปฏิบัต ชั่วใครชมเขาเราว่าเราถ้าเราทำชั่วเขาต้องเสริมว่าดีเราก็ไม่ดีไปเราไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่การปฏิบัติต่อแต่นี้ไปผมจะเอานำนาพระพุทธนํำรัตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรงตัดไว้ในพระไตรปิฎกสุตตานิพพิจดังยุตนีกายสกาตวัค มาเล่าสู่กันฟังเสียงเล็กน้อยตามพระใปพระตวิโดก่กล่า ว, ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวฬุวันอันเป็นที่พรยธานเหยื่อแก่แกระแตของพระราชามาคตในเขตกรุงราชคฤห์โดยสมัยนั้นนางพระมณีชื่อว่าท่านนัญชานีแห่งพราหม ผู้เป็นบริวารของพราหมณ์ผู้มีชื่อว่าภารัตวาเจาโคตคนหนึ่งเป็นผู้มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แต่ความพูนพระามพวกนี้แต่ความจริงเขาไม่คบพระพุทธเจ้าข้างนั้นนางทานัญชาณีพราหมณีกําลังจะนำอาหารไปเพื่อให้แก่พราหมณ์ภารัตวาเจาโคต ก้าวพราดจึงเปล่งไวาชาวทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์พระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระเจ้าสไหว้สามครั้งนะเมื่อนางนั้นทชานีพระมณีกล่าวดังนั้นแล้วรามภารทวาชโคดได้กล่าวกับนางนั้นทชานีพระมณีว่าอีหญิงถ่อย นี่กล่าคุณเาสมณะโลนอย่างนี้ไม่ว่าในที่ไหนๆ น, นี่นายหญิงถอยบัดนี้เราจะยกวาทะของพระสมณะโคดมนั้นของเจ้าหมายความว่าเราจะขู่ตะคอกทำลายความดีของพระสมณะโคดมนางนั้นได้ชานีพระมณีกลวว่าพราหมณ์ฉันยังไม่เห็นบุคคลใดผู้จะพึงยกถ้อยคำ อ, อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในโลกนี้ได้พร้อมไปด้วยทีว่าโลกมาลโลกและพรมโลกมูสัตว์พร้อมปฏิสนะและพราหมณ์นติวดาทั้งหมดดูก่อนพราหม์เอาเถิดท่านจงไปไปแล้วจะได้รู้จักพระองค์ลำดับนั้นพราหมณ์ภาระทว่ายจะโคดโกรธจัด เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสุนสวัสดิ์ทั้งที่ทั้งที่ประทับทแล้วสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่นี่ควรส่วนครัหนึ่งนี่เขาแย่ข่มขี่พระพุทธเจา้าพรัมนั้นนั่งแล้วได้กล่าวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวา่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ ย่อมไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพรงองค์ย่อมชอบใจในการฆ่าทำอะไรเป็นธรรมอันเอกพระพุทธเจ้าสุนตาว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพราม พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสันเสริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นทิษมีที่สุดคือความคลายเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเว้นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดังนี้รามก็ชอบใจมีความเลื่อมใสขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา ภายในไม่ชาทให้กับมรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบคุคคลองค์สำคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่พมนํำพระพุทธพจน์บทมาลีที่ปรากฏมาในพระไปิฎกเอามาพูดกับท่านอย่างนี้ก็เพื่อบังเคลื่อนเตือนใจว่าการนินทาว่าร้ายของคนบางทีคนเนี่ยก็ชมเรา หรือว่าเขากล่าวได้ความห่วงใยเหมือนกับคณะบุคคลคณะหนึ่งที่พวกกล่าวแล้วเมื่อกี่นี้เขาจะเป็นใครก็ช่างมันเรื่องมันเกิดขึ้นสองสามวันนี้เองเพราะว่าวันที่พูดนี้ก็เป็นพูดเป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมใีพฤศิกายนแต่นี้เรื่องนี่มันก็เกิดขึ้นก่อนวันที่หกคือก่อนกระินเป็นคำมีภาวิจารณ์นัก ถ้ามีพาวิจารนี้ถ้าฟังกันไปจริงๆเหมือนกับว่าเป็นความห่วงใหญ่แต่ว่าไอ้ความห่วงใยนี่แหละวาจาที่พูดไปอาศัยการไม่ระมัดระวังเมื่อกลายเป็นพิษสําหรับบุคคลหรือวิสภากบุคคลคนที่เป็นศัตรูได้ถ้าเขาทราบข่าวนี้แล้วก็าจะหาว่าแหม่น่ะอีะลาตาองตาลงองนั้น สอนลูกศิษย์นูหาจังเยอะแยะที่ไหนได้ก็กลายเป็นคนโลภโมโทสันสะสมทรัพย์ไว้ตั้งห้าแสนซื้อรถได้ความจริงเขาตั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ทราบว่าผมไม่มีสตังค์แต่ว่าผมเห็นว่าคนเสนอเนี่ยเสนอผิดราคาเมื่อเสนอผิดราคามาแล้วก็มีคนบางคนเขายอมรับ ว่าเขาขายได้จริงผมขอรับนี่ภารกิจนี่เป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์ต้าวว่าหลงพ่อจะทําก็เอารถนี้ไปใช้ได้แต่ผมก็ลองกําลังใจคนวมาดูที่ว่าใครบ้างที่จะเห็นดีเห็นงามกับงานนี้บ้างก็มีคนหลายคนจะบอกว่าช่วยกันออกเป็นรายเดือนแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคณะของเราเองเกิดความห่วงใหญ่วิพากษ์วิจัยกันใหญ่ อันนี้เรื่องท่านหลายเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นกับผมนี่มันไม่หนักใจผมถูกด่าถูกว่าถูกดินทานถูกทิ่นถูกตํามาซะพอแล้วจงกระทั่งหนังผมนี่มันหนาด้านไปหมดใจก็ดันใคยจะพูดขยะว่าอะไรนี่ไม่สําคัญผมห่วงท่าน ขอท่านทั้งหลายจงจําไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความโกรธอย่าให้ปรากฏในจิตตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสสามิตรว่าถ้าเราฆ่าความโกรธเส้นได้แล้วเราก็นอนเป็นสุขนอนมันก็เป็นสุขนั่งมันก็เป็นสุขหลับมันก็เป็นสุขตื่นมันก็เป็นสุขเพราะอะไรทวาวท่าของคนที่กล่าวไปเนี่ยถ้าเราโกรธมันก็แค่นั้นแหละมันไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าเราโกรธเขาเราก็เลวถ้าเขาโกรธเขาเขากโกรธเราเขาก็เลวถ้าต่างคนต่างกรนมันก็ต่างคนต่างเลวนี่เราทำยังไงถ้าต่างคนต่างไม่โกรธก็ต่างคนต่างดีเป็นอนันวันนับตานี้ต่อไปขอท่านหลายจุะมัตระวังใจไว้นึกไว้เสมอว่านินทาประสงสา ขึ้นชื่อว่านินทาดสันเสรนี่เป็นธรรมดาของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครพ้นการนินทาด่าสนเสรนนี่รายการหนึ่งเรื่องการรู้เท่าไม่ถึงการของบุคคลผู้หวังดีนี่มีความสำคัญมากบุคคลที่มีความหวังดีแต่ว่าพูดไปแล้วมันกลายเป็นหวังไรอันนี้ต้องมีการระมัดระวังให้หนัก พูดไปมันเป็นภัยแต่เพราะอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการของเขามีอยู่จึงพูดอย่างนั้นเกิดขึ้นมันก็สร้างความเสียหายสำหรับคนที่ถือว่ากิเลสเป็นกิเลสเป็นเนจ้าเป็นนายแต่คนที่มายึดถือกิเลสแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพ่งขอท่านอนไหลจงระวตะวังอารมณ์นี้ไวามาก เรื่องอารมณ์ของการตัดความโกรธนี่ผมจะนำมาพูดไหลเที่ยวหน่อยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดเรื่องราวติดต่อกันไม่หลายเรื่องผมจะนำมาทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะความโกรธเป็นปัจจัยให ญ, ใหญ่ถ้าคนเราไม่โกรธที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ระงับหมดถ้าเราไม่โกรธเรามีอารมณ์เป็นสุข ถ้าเราไม่โกรดคนที่สัมผัสกับเราเขาก็มีอารมณ์เป็นสุขแต่ถ้าว่าคุณเลวอย่างเทวทัตทำยังไงก็แก้ไขไม่ได้ในตอนใกล้จะหมดเวลาผมขอให้เตือนท่านไว้ว่าให้นึกถึงพระราชนำรักคาบาทสมเด็จเจ้หัวรัชการที่๙ที่ทรงมีพระราชนัดต์ดไปว่าเสียงระเบิดเกิดขึ้นตั้ง ผมก็มีความรู้สึกว่าเสียงระเบิดนี่มันเป็นอนาคตไปแล้วมันหายไปแล้วถ้าเราไปสนใจกับอนาคตเรื่องของอนาคตปัจจุบันก็จะไร้ผลตอนที่เอาเยี่เงี่ยประชาชนคิดว่าถ้าข้างหน้ามันเกิดระเบิดอีกจะทำยังไงทรงตัดสินประเทไทยว่ามันจะยังไงก็ช่างนั่นมันเป็นอนาคตทาไงเขาเราให้รบทนในปัจจุบัน ดังนั้นขอพวกท่านก็เหมือนกันอ น, นาคตดีอดีตก็ดีมันจะเป็นยังไงก็ช่างเอาเวลานี้ทําใจของเราให้ชนะความโกรธก็แล้วกันอารมณ์ที่ชนะความโกรธได้ทีสับถึงว่าช่างมันใครเขาจะชมก็ช่างมันใครเขาจะดินทาว่าร้ายก็ช่างมันเราไม่ดีไม่ชกรธเพราะการนินทาและสรรเสริญข้าบุคคล อรบบันดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาการที่จะพูดกันก็นหมดแล้วพวกนี้ต่อกันใหม่เรื่องความโกรธตอนนี้ไปก็ขอให้ท่านหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นอยู่ในอิรยาบททั้งสี่ควบคุมอรมารมณ์ของท่านให้มีสมาธิจิตอย่าลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอธิยาสายยิ่งกว่าจะิ้งเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี